พระธรรมเทศนาแผนที่82ดสบนรับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคำในวันที่23มีนาคมง258 25มีชื่อเรื่องว่าเส้นทางนี้ที่พ่อแม่ครูวาอาจารย์เคยเดิน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เราพวกเราได้เข้ามา <c oughs> ฉันศาลาข้างในถ้าลงพ่อจำไม่ผิดนะลงพ่อว่าออกไปฉันข้างนอกตั้งแต่เดือนธันวาห้าเจ็ด วันที่เก้าวันที่เก้าธันวาห้าเจ็ดที่เราออกไปฉันข้างนอกไม่ได้เข้ามาฉันที่ศาลาหลังนี้เป็นอันว่าเราซ่อมแซมศาลาหลังนี้ตั้งแต่วันที่เก้าจนถึงวันที่ยี่สิบสามมีนา <c oughs> เป็นเวลาหลายวันทีเดียวกว่าจะเสร็จได้ แล้วกระทังข้างบนก็ยังไม่เสร็จนะข้างบนก็ยังช่างเขากำลังซ่อมที่มันชำรุดหรือว่าช่อมพอมพวกสีผงมันสีทะเลอกสีอะไรจะต้องซ่อม อ, อีกคงจะใช้เวลาหลายวันอยู่ข้างบนแต่เมื่อเสร็จข้างล่างแล้วเราก็มาใช้ข้างล่างก่อนแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวาน วันพระวันเสาร์อาทิตย์วันพระออกไปฉันข้างนอกเพื่อจะให้ศาลาหลังนู้นก็เพื่อได้ดูแลรักษาถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปากล้เลยทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าหมองไปเรื่อยเหมือนกันนะบ้านที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัยไม่ได้ปัดกวาดทําทความสะอาดมันก็เศร้าหมอง เมื่อเรารักษาโยมก็ดูแลก็สะอาดสะอ้าน <c oughs> วันนี้หลวงพ่อเองยังคิดอยู่เหมือนกันนะลูกขลาดคณะสัตยาดโยมต้งจัดสินใจยังไม่ได้คือวันนี้เยน็นเย็นวันนี้หลวงปู่ทองภูลที่วัดภูกระแตที่เป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดน้องคายน้องบัวลําพงบึงการท่านอายุ ครบ8ปปีเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในถิ่นอีสานก็หลวงพ่อก็คิดว่าจะไปนะจะไปงานสวดมนต์เย็นวันนี้แล้วก็จะฉันเช้าวันพุ่งนี้แต่หลวงพ่อมาคิดดูระยะทาง้าไกลเหลือเกินก็ยังคิดสองจิตสองใจอยู่ ถึงไม่ได้ไปถึงจะไม่ได้ไปก็ส่งสิทธิ์ส่งใจส่งความเคารพคารวะมุทิตาสักการะไปไปแทนถ้าไม่ได้ไปถ้าได้ไปก็คงจะได้ออกเดินทางประมาณสักก่อนเที่ยงหรอกว่าเที่ยงคงจะไปเรื่อยๆไปถึงที่นน่นก่ตอนเย็น ต่อไกลพอสมควรนะอากในไปอำเภอจังหวัดบึงการวพราะนั้นหลวงพ่อทุกวันนี่จะคิดไปที่ไหนหลวงพ่อยังคิดหนักใจไม่เหมือนสมัยก่อนพอคิดไปที่ไหนก็ไปเลยแต่ทุกวันนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกไปแล้วจะได้รับความสะดวกสบายไหมสะดวกสบายเราก็ไม่ต้องคิดถึงมากหรอกแต่ว่าจะเป็นภาระของผู้อื่นไหม จุดนี่เราต้องคิดหนักนะจะเป็นภาระสําหรับ เ, เราจะไปส่งเสริมให้ท่านมีกิติศัพท์อะไรไหมหรือเราไปทําไปถ่วงให้ท่านหนักออพอไปแล้วก็เป็นภาระให้พระลูกพระหลานที่ตอนรับขับสู้หนักใจอย่างนั้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดหลายๆแนวทางเหมือนกันนะ ถ้าไปแล้วก็เกิดประโยชน์จึงค่อยไปถ้าไปแล้วจะทำให้เป็นภาระนะ่เราก็ต้องคิดอีกเะพวันนั้นไม่ใช่ว่าไปคิดได้คิดไปพวันนั้นหลวงพ่อมาถึงจุดนี้นะหลวงพ่อต้องก่อนที่จะไปต้องบวกลบคูณหารแต่เรื่องที่จะไปสแสวงหาเรื่องลาบเรื่องยศอะไรนะ่ ไม่มีแล่ละอ่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไปที่ไหนมีแต่ให้เป็นสวนมากขาดเหลือขาดตกอะไรพเพรา ะ, <c oughs> ะเราก็ไม่ถึงกระรวยแต่ถึงกระลอกก็ไม่ถึงก็ะยากจนพอเป็นพอไปอเราก็หนะมีที่ไหนพอที่จะช่วยสงเคราะห์นุเคราะห์เราก็ช่วยช่วยไปเพราะนั้นเรื่องที่จะไปเรื่องจะตุกปัจจัยเรื่อง ชยธรรมไม่มีละมีแต่ไปกับเพื่อไปการาบคารวะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอายุมากแล้วนานทีพวกเราจะได้พบไปได้ไปการาบคารวะท่านเพื่อแสดงความสักการะมุทิตาแสดงความยินดีสักการะท่านอันนี้ก็คือการไปกราบ ครวะครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงพวกเราคณะทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกคนวันนี้ก็ได้ยินข่าวแม่ตู้ของพวกเราแม่ตู้อ่นของพวกเราที่เป็นโยมเก่าแก่ที่ดูแลอุปธรรมประถากมาตั้งแต่สมัยเรามาสร้างวัดพุดทธเจ้าก็มาจังหันมา เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พออายุมากเข้ามาแล้วก็มาไม่ได้เพิ่งได้ทราบเมื่อกี้นี่ว่าแม่ตู้ของเราได้ตายแล้วได้มรณะลงลงไปแล้วนี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวยือ้อเตือนพวกเราจะคิด หรือไม่คิดเท่านั้นเองถ้าคิดแล้วก็แล้วได้อะไรแล้วถ้าคิดล่ะพระพุทธเจ้าว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาท น, น, นะคือคือได้คือได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วผลแห่งความไม่ประมาทนั้นได้อะไร ท, ที่ความไม่ประมาทได้อะไรก็คือได้ความสุขหรือว่าเราได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าตายแล้วไม่สูญนะในจุดนั้นที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะนรกสวรรค์มีจริงนะ ในจุดนั้นแต่ในจุดนั้น้มาพิจารณาดูแล้วเหมือนกับพวกเราเนี่ยหลอกกันหรือว่าสุดเอื้อมเอาอะไรมายืนยันนะจุดนี้อีกจุดหนึ่งแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องเชื่อใครให้เชื่อตนเองในจุดนั้นเราต้องวิเคราะห์เหมือนกับไฟฟ้ามาอยู่ในสายลวด เขาว่าไฟฟ้ามันมไฟมันมีนในสายลวดเนี่ยแต่ถ้าว่าเราไม่เชื่อคนอื่นเขาเราจะทํำยังไงเราจะมีเครื่องทดลองทดลองไหมมีเครื่องอมีเครื่องมือที่จะไปทดลองหรือไหมว่ามันมีไฟและไม่มีไฟใช่ถ้าว่าเราโง่เกินไปเราก็เอามือไปแตะนะไปจับเข้าไปอ ก็ต้องซอดเราอย่างแรงพอไรเพราะเราไม่เชื่อคนอื่นเขาแต่เมื่อเราเชื่อคนอื่นเขามันมีไฟนะเราก็ต้องระวังระวังนี่ก็เหมือนกันนะลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เกิดไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะบาปกรรมมีจริงนะแต่เราก็อย่าไปคิดว่า เราจะไม่เชื่อทีเดียวถึงยังไงยังไงก็เราต้องฟังไว้ก่อนอฟังไว้ก่อนแล้วสังเกตเมื่อฟังเสร็จแล้วไงสังเกตเมื่อสังเกตแล้วก็นั่นแหะหาแนวทางพิสูจน์เราจะพิสูจน์ยังไงในในเรื่องอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่พูดถึงละ พูดถึงพระพุทธเจ้าคือท่านก็ไกลเกิดไปทั้งสองพันกว่าปีเนี่มาพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยคนท่านก็ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าน่ะนะมาปฏิบัติท่านมาปฏิบัติแล้วท่านได้ผลอย่างไรเนะี่ยเอออันนี้ก็คือท่านก็ต้องสืบเนื่องไปทางพระธรรมคําสอนนะแ ต, นะแต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของท่านนะท่านก็นํา ประทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ถามท่านเเพราะท่านอยู่ใกลใช่ไหมล่ะจะไปถามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ท่านอยู่ไกลท่านถามผู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเหมือนกับวิธีการเขาปลูกข้าวสมัยเก่าเขาปลูกยังไงเพราะเขาปลูกยังไงต่านั้นคนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเขาปลูก เพราะเขาปลูกมาไอคนที่อยู่ใกล้นี่ที่ปลูกเข้ามาแล้วได้ผลอย่างไงเนี่ยเราต้องถามคนอยู่ใกล้นะเออเป็นเปียยังไงวิธีการผลูกปลูกข้าวเนี่ยปลูกการเกษตรได้ผลยังไงไอคนที่ปลูกหรือคนปฏิบัติหรือว่าคนที่ทํามาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยท่านก็นจะอธิบายให้ฟังว่าเออชายเนี่ยผมปลูกอแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้นะ ที่พอใจนะพึงพอใจนะอันนี้เราก็ถามผู้อยู่ใกล้ก่อนได้เมื่ออยู่ใกล้ท่านบอกให้ฟังเราก็อือแล้วก็นำํำทมที่ท่านบอกกล่าวนะนำมาปฏิบัติกับตัวของเราเนี่แหละมันเป็นทอดๆ อ, อย่างนั้นนะกษัตริยายาจมลูกลานถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่แหละอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา หลวงปู่หลวงตามหาปัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงปู่ต่างๆที่ท่านในได้ปฏิบัติมาเนี่ยท่านได้นั่งภาวนามาทุกองค์ท่านยืนยันไม่มีองค์ไหนเลยที่จะบอกว่าตายแล้วศูนไม่มีที่หลวงพ่อได้ฟังมาทั้งหมดที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยองค์ไหนก็องค์นั้นแต่ทางฝ่ายประยัติมีนะมีได้ยิน ถึงจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณหลวงตามหาบัวก็พูดให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณองค์นั้นเจ้าอาวาดวัดนั้นท่านบอกวันนี้มรรคผลนิพพานหมดหมดหมดเขตหมดสมัยแล้วถึงจะปฏิบัติยังไงก็ไม่มีหรอกมรรคผลนิพพานออท่านพูดแต่ผมหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินต่อต่อต่อปากต่อคำท่านแต่หลวงตาพูดให้ฟังแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะริญบู่า เป็นวัดไหนแต่เรพอรู้ว่าเป็นวัดไหนตรงตาพูดชัดถึงขนาดนั้นแหละแต่ในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเนี่ไม่มีองค์ไหนเลยจะพูดอย่างนั้นมีแต่ว่ามรรคผลนิพพานพีอยู่ต่อหน้าของเราถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อไรปฏิบัติถูกทางเมื่อไร่เดินตามสัมมาทิฐิ เมื่ อ, อไรเดินตามมักแปดเมื่ อ, อไรพวกเราจะถึงมักผลนผิพพานได้ไม่เลือกการเวลาท่านเราพวกเราปฏิบัติเว้นเสียแต่พวกเราไม่ปฏิบัติจอบก็ไม่ถึงไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาศึกษาในแนวปฏิปทาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทํามล็ดิดของท่านที่ท่านผ่านไปแล้วนะท่านเขียนว่ายังไงในประวัติของท่านแต่และองค์ท่านภาวนาอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงยังไงวิธีการที่จะเข้าจิตใจเข้าสู่ความสงบนั้นทํำยังไงเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบและพิจารณาพิจารณาอย่างไรแต่โดยมากหลวงพ่อเองได้นําแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาในท่านได้ทั้งปริยัต คือท่านได้เรียนนักสือปริยัติเนคือเรียนมาในพระไตรปิฎกเรียนมาทางศัพท์บาลีออแล้วก็ท่านพูดในศัพท์ในบาลีเท่าไหร่ยังไงหลวงตานี่รู้เพราะท่านได้เรียนมาท่านปริยัติท่านแปลได้และจากนั้นท่านได้นาเมื่อท่านเรียนได้ถึงมหาปริยัสามแล้วนเนี่ยหลวงตามหาบ่วนคือมหาปริยัติสาม สประโยคนะแต่ตามไม่จริงผู้ที่เรียน เ, เรียนฝ่ายปริยัตเนี่ยท่านบอกว่านักธรรมเอกเนี่ยจบละจบถึงมรรคผลนิพพา น, นคือหลักท่หลักสูตรที่เราจะเรียนถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยนักธรรมเอกเนี่จบในหลักสูตรที่จะเรียนเรียนเรียนปริยัตนะเรียนตำราหรือว่าเรียนที่เราจะเรียนเนี่ย แต่นอกนั้นมันมีตลงมือปฏิบัติทั้งนั้นแต่การเรียนการเข้าใจเพียงแต่รักธรรมเอกก็จบแล้วนะ <c oughs> ถ้าเป็นมหาป ร, ริญญาคือเรียนศัพท์คือภาษาพูดรูว้วศัพท์นี้แปลว่ายังไงในบาลีเรื่องนี้ออยู่ที่ไหนเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ที่ไหนพระสาวกงงนี้อยู่ที่ไหนที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเรื่อง ชาดกด้วยสาวกประวัตินะหรือสาวิกาประวัติหรือเถรีประวัติหรือว่าสาวกของอุบาสกอุบาสิกายนะอันนี้เราคือมหาประเด็นท่านจะได้เรียนตั้งแต่มหาประโยคถึงสามเลยเรียนไปเรื่อยเลยจากนั้นประโยคแปดประโยคเก้าท่านก็เรียน เ, เรื่องกวีว้างเรื่องสับบ้างเรื่องแต่งกรอนบ้างลักษณะอย่างนั้นลนะที่หลวงพ่อได้ได้รับทราบมานะ ในหลวงพ่อก็าไม่ได้เรียนอแต่ว่าตรงตามหาบวชนะท่านได้ปทสามในเมื่อท่านได้ปทสามเสร็จแล้วท่านก็ออกมาออกมาปฏิบัติเข้ามาศึกษาในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นลงมือปฏิบัติเมื่อเรียนตำรา จ, จบแล้วเนะ่แนวทางจบแล้วถึงทางทฤษฎีเมื่อได้ทางทฤษฎีแล้วกลงมือปฏิบัติแต่หลวงปู่มัน่นท่านก็บอกว่ามหาท่านเรียนมานะั้นอะมากมายนะ กว่าจะได้เป็นมหานะการเรียนความรู้ของท่านนะให้เอาเข้าตู้ไว้ก่อนนะเอาตูเา้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอาออกมาใช้ถ้าว่าท่านนำเอาปริยัติออกมาออกมาเปรียบเทียบนะท่านจะสับสนวุ่นวายจิตใจของท่านจะเข้าหาความสงบไม่ได้เพราะนั่นได้ปิดไว้ก่อนให้ แต่นี้ต่อไปเมื่อท่านออกมาปฏิบัติให้ท่านพอนะพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้บริกรรมนะพุทธโทเวลาเดินยังกรมกบขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลานั่งภาวนาก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละอันนี้คือหลวงตาออกมาปฏิบัติาจากท่านหลวงตาก็นามาปฏิบัติอพอนามาปฏิบัติแล้ว ที่แรกก่อนหน้านั้นหลวงตาท่านก็พูดบอกว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าภาวนากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้หลวงตาก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามท่านบอกว่า พอจะเข้ามาอยู่กับหลวงปู่มั่นน่จิตใจมันเสื่อมมันเสื่อมเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนมันก็จิตใจมันก็เข้าสู่ความสงบเออที่มันเสื่อมเพราะอะไรถ้าท่านส่งจิตออกนอกท่านก็บอกว่าท่านไปทำกรดทำกรดที่บ้านที่บ้านของท่านที่บ้านตากคงจะมีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ไม่อธิบายให้ชัดเจนจากนั้นใจของท่านร้อนมากเลยทำไม มันเสื่อม เ, ยเอยอจากนั้นท่านก็เลยมาอยู่กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้ภาวนาพทนุทโธให้บริกรรมด้วยนะท่านก็เลยบริกรรมบริกรรมอยู่พทุพโทโธพุทโธแต่วันสามสี่วันแรกเนี่ยหนักหนาสาหัสมากเลยที่บังคับบังคับใจให้อยู่กับพุทโธเนเีวันที่สี่จิตใจถึงค่อยเข้าสู่ความสงบได้ จนมั่นใจว่าไม่เสื่อมฮะท่านว่านท่านรับรองในในในการปฏิบัติของท่านไม่เสื่อมจากนี้ไปไม่เสื่อมพอท่านไม่เสื่อมนั้นก็เดินออกไปภาวนาไปเรื่อยๆจนถึงห้าปีอยู่ในความสงบนั่นนะห้าปีพอจะเข้าไปสมาธิเมื่อไหร่เข้าได้จิตใจนิ่งสงบได้ติดสมาธิอยู่หปีเล จนแล้าไปกราบหลวงปู่มั่นอีกหลวงปู่มั่นก็ถามเป็นไงมหาภาวนาการภาวนาไม่ใช่ว่าจะถามกันในง่ายง่ายนะถ้าว่าถ้าว่าองค์เราไม่ขัดข้องเข้าไปกาเปลียนถามท่านท่านจึงจะพูดท่านจึงจะถามเอถ้าว่าไม่ถามก็จะแสดงว่าจิตใจไปได้ดีอยู่ก็ไม่ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรคือหน้าที่ของของใครของเราภาวนาไปแต่ถ้าว่าเข้าไปถามท่านเน่ยท่านก็จะ ก็จะแนะนำให้ฟังแต่นานเนี่ยเขาไปอยู่กับท่านก็าถามนะเป็นไงมหาภาวนานะสงบดีอยู่กับผมนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้อ่านะูดอย่างนั้นลงตามลงปูมันเนออี่ยทเมื่อมันสงบแล้วก็ให้ถอนนะใ ห, นนะให้ถอนจากสมาธินะ่ะนำมาพิจารณาทางด้านมัตยปานะให้ถอนออกมาเป็นพิปัสนานะถอนออกออกมา จะไม่ให้ยาให้มันอยู่ในความสงบจนเกินไปให้ถอนออกมาเดินวิปัสนา ใ, ใช้ปัญญานะก็คือเข้าใจกันเป็นวัดหลวงปู่มัน่นโพธิ์ที่นั้นก็เข้าใจกันเพราะท่านึกศึกษาอยู่กับหลวงปู่มันวิปัสนา น, นคืออะไรวิปัสสนาก็คือการพิจารณาถึงเกสรผมโลมาขนขาะะเล็บทันตาฟันโจนหนังนะพิจารณาร่างกาย ให้เป็นอสุภะปฏิคูณให้เป็นให้เห็นตามสภาพน่ให้เป็นให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกาย เ, าเกิดแก่เจ็บตายลักษณะอย่างนั้นอันนี้แหละคือวิปัสสนาหาเหตุผลในการเป็นอยู่ของร่างกายคือใจของเราเนี่ยมันหลงหลงร่างกายเพราะนั้นท่านให้พิจารณาร่างกายถ้ามันหลงร่างกา ย, ลกายแล้วมันหลงกายตัวเองแล้วมันหลงอย่างอื่นไปด้วยยหลงร่างกายคนอื่นด้วย หลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงความเย่อหยอหลงชื่อเสียงกิติศัพท์อะไรมันหลงไปหมดเลยทีนี้พอมันหลงร่างร่างกายตัวเองเป็นอันดับแรกนีเพราะฉนั้นจึงท่านในทพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่าหลงร่างกายนะร่างกายเนยอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบนะทุกคนนะถึงจุดจบนะตายนะจะไปหลงมันอะไรลักษณะอย่างงั้นนะในเมื่อพิจารณาหลวงปู่มั่นท่านสอน แต่มันถอนไม่ออกเพราะมันติดความสงบนี่แหละอันนี้จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนกันนี่แหละวิธีการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตาท่านชี้ชีช้แจงให้ฟังเรื่องวิธีการเดินมรรคเดินผลของท่านจนถึงอที่สุดว่าถอดถอนอยังไงถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจ รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรในวันนั้นนะอันนี้ท่านก็บอกให้ชัดเจนอีกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหายาตโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะให้ปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันมองเห็นเส้นทางอยู่ตามพวกเราประพฤติปฏิบัตินะเพียงแต่จิตใจสงบเท่านั้นละ่ะจิตใจสงบเป็นหนึ่งจิตใจสงบไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านเท่านั้นละ่ะ มันจะรู้มองตนเองเห็นแล้วตนี้มองเห็นตนเองแล้วเนี่ยเขาวันนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเออความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะมองเห็นอะทรตัวนี้มองเห็นในความสงบใจของตนเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อมองเมื่อ เรานั่งภาวนาพยายามทําจิตใจให้สงบถ้าจิตไม่ใจไม่สงบปัญหาความสุขไม่ได้นะเลอเลอะแล้วน่อนเลอะเเถอะเลอะเลอะเลื่อนเลือนไปนะผลในสุดก็นั้นนะไม่เชื่อก็ตั้งตัวเองไม่เชื่อทำคําสอนไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเพราะเหตุอะไรเพราะมันมันไม่ได้รับความสงบมันไม่ได้รับไมาได้ลิ้มรสแห่งความสงบน่ะมันหาความเชื่อไม่ได้เพราะไม่มีความเชื่อแล้วนั้นนะ จิตใจมันก็เลื่อนลอยเลยนะผลในสูตรก็หาจุดจบหาจุดเรื่องอะไรความชั่วเสียหายมันมันเหตุอะไรมันทําไปความชั่วเสียหายได้ทั้งนั้นแหละเพราะไหตุเพราะมันไม่เห็นผล เ, ออเหมือนกับคนที่ไม่มีหลักแหล่งคนเลื่อนลอยแต่ถ้าคนมีหลักแหล่งมีการมีงานทํามีเงินเดือนกินออมีเงินมีหลักแหล่งมันจะคิดทําความชั่วมันก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะ เ, ออเพราะมันรอบคอบ แต่คนเลื่อนๆลอยๆเลยละเลาะลและเลยมันทําไปเรื่อยอันไหนหลับหูหลับตาคนที่คนไม่เห็นมันก็ทําไปเนี่ยแหละจิตประเภทที่ไม่มีหลักกฎเกณฑ์กับลักษณะอย่างนั้นนะอืเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะภาวนาเอนั่งให้นานสู้อตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะได้ประสบความสุขทางด้านจิตใจนว่านัตติสันติปรังสุขขัง พวกเราจะได้รื้มรดแห่งความสงบนะเอาต่อเนี้ไปรับพอนัตถณีนะนานๆทีได้พูดเรื่องสมาธิให้ฟังมีแต่พูดเรื่องอย่างอื่นพอพวกเรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราจะหนีจากหลักนี้ไม่ได้เด็ดขาดหลักนี้คือหลักสําคัญของพวกเราถึงจะพูดไปที่ไหนก็พูดเถิดทำไมพูดถึงเรื่องจิตโพนาแล้วแปลว่าพูดออกนอก นอกทางแต่เราจะพูดแต่ในนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็เบื่อมือนกันก็หาน้ำผงสู่รผสมผสมเข้ามาบ้างเป็นบางครั้งแต่จุดใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะให้เน้นจุดนี้แหละจิตเรื่องจิตภาวนานะ